ตัง้งใจฟังนะติดหนังสือไว้แล้วก็ตั้งใจฟังธรรมอาจารยมาก็จะพูดนะเรื่องที่มันก็คือความจริงของชีวิตทุกทกคนเนาะธรรมะคือความจริงของชีวิตคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะ เป็นธรรมดาของทุกชีวิตนะธรรมะไม่ใช่เรื่องเรื่องไกลตัวนะแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตทุกๆคนนะก็คืออะไรเรามีความทุกข์เนาะทุกๆคนมีความทุกข์ความทุกข์มันแบ่งไปสองส่วนส่วนหนึ่งก็ทุกข์เพราะร่างกายนะเป็นทุกข์เพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนาะ อันนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้มันหายขาดได้หรอกนะความทุกข์ทางร่างกายนะเป็นกันทุกคนนะพระพุทธเจ้าท่านก็ป่วยท่านก็แก่ท่านก็ตายนะเหมือนเราพระสมองค์เจ้านักปฏิบัติธรรมก็ก็หนีไม่พ้นนะความทุกข์ทางกายก็เหมือนคล้ายๆเราเราเหิวเราก็ทานข้าวมือนก็อิ่มแต่อิ่มแล้วไม่ถึงครึ่งวัน ก็หิวอีกนะมันความทุกข์ทางกายมันมันแค่การที่เราบรรเทานะบรรเทาความทุกข์นะหรือว่าแก้ทุกข์แบบชั่วคราวนะเป็นกันแบบนี้แลโยมนะนะ่ะเรานั่งแบบนี้มาปวดขาเราเปลี่ยนเป็นนั่งท่าใหม่สักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งก็ปวดอีกแล้วแหละนะ่นะน่ะเราว่าเรานั่งแล้วปวดขาเราไปเดินนะ เดินชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มเมื่อยก็ปวดเหมือนเดิมแล้วว่าเราเดินเรานั่งก็ปวดก็เมื่อยไม่สบายไปนอนแรกๆ ก, ก็สบายนะถ้านอนเกินเจ็ดแปดชั่วโมงก็ไม่ค่อยสบายแล้วะจะอ่อนเพลียะจะละ้ายิงถ้าใครไม่สบายนอนเป็นวันนก็จะรู้สึกเลยมันหนักกว่าเก่าใช่ไหมเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์นะ แต่เราหายใจเข้านานๆ น, นะก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราหายใจออกมันว่ามันสบายนะเมือนเราถอนหายใจสบายแต่ออกนานๆก็จะตายเหมือนกันนะถ้าไม่หายใจเข้าใช่ไห ม, มคือร่างกายของเราอะนะมันก็เหมือนมันมีความทุกข์แล้วก็เพียงแค่ว่าแก้ไขบรรเทารักษานะมันหนีไมพ้นนะ พวเราทุกคนก็ต้องเป็นแบบนั้นอันนี้คือทุกทางกายนะทุกคนต้องเจอแต่มันมีความทุกข์อีกทางหนึ่งคือทุกทางใจนะทุกทางใจนะเราไม่สามารถเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนะเจอปัญหาหลายอย่างแต่คราวนี้ถ้าเรามีปัญญานะมันจะไม่มองปัญหาเท่ากับความทุกขนะ์ แต่ก่อนเนี่ยเรามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเท่ากับความทุกข์ปัญหาเท่ากับเป็นความทุกข์เลยนะปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสุขภาพปัญหาโรคแตกปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนเราถ้าไปแบกปัญหาก็กลายเป็นทุกข์เลยอันนี้เพราะว่าเราขาดปัญญาเราก็เลยมองปัญหาแล้วเราไปแบกปัญหาก็เลยกลายเป็นความทุกข์นะ แต่ถ้าเรามีสติปัญญานะปัญหาไม่ได้เท่ากับความทุกข์นะปัญหาคือสิ่งที่แก้นะนะถ้าแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็วางนะปัญหาเป็นแบบนี้นะปัญหามันเป็นสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปแบกนะเนะี่ยให้เราถ้าเรามองแบบนี้ปัญหาไม่ใช่กับความทุกข์นะปัญหาก็คือปัญหานะ เราแก้ปัญหานี้เสร็จมันก็ยังมีปัญหาอื่นไปเรื่อยแหละโยมนะทํางานงานนี้มีปัญหาใช่ว่าเสร็จงานนี้แล้วงานหน้าจะไม่มีปัญหาเราแก้โรคนี้ได้ใช่ว่าปีหน้าจะไม่มีโรคอื่นเกิดขึ้นในร่างกายไม่อีกนะแก้ไม่พ้นนะโรคนี้ก็เต็มไปด้วยปัญหานะเต็มไปด้วยปัญหาเยอะแยะมากมายนะไม่มีใครจัดการปัญหาได้หมดนะไม่แต่พระพุทธเจ้านะ ในชีวิตถ้าเรามองว่าท่านก็มีปัญหาปัญหาเพราะมีคนตามด่าปัญหาเพราะมีคนตามฆ่าปัญหาเพราะพระผสมประพฤติผิดพระบินัยมีคนติเตียนมองเป็นมหาก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้มองเป็นความทุกข์ใจ <c oughs> ปัญหาก็แก้ไปเท่าที่แก้ได้นะใครสอนได้ก็สอนใครสอนไม่ได้ก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยไปแก้ได้ก็แก้ พวกเราดูไหมแม้แต่พระพุทธเจ้านะแต่หลายเรื่องท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไปแก้ปัญหาในทุกเรื่องอย่างญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่นะตระกูลของพระพุทธเจ้าฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็แม้เป็นกษัตริย์ก็จริงนะแต่ก็ยังทําเกษตรทํานาปัญหาเรื่องการทํานาคืออะไแย่งน้ำํำฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นัมีแม่น้ําโรหินีเป็น เป็นแม่น้ําที่กั้นระหว่างแคนทั้งสองแคนนะมีปีนึงก็น้ําขาดแคลนมันก็แย่งน้ํากันแย่งน้นงํากันเจนทั้งฆ่ากันแต่พระพุทธเจ้าไปห้ามนะนี่ใหพูดทางฝ่ายพ่อพูดทางฝ่ายแม่แต่สุดท้ายก็ฆ่ากันฆ่ากันตายเอ่เยอะแยะมากมายหรือแม้แต่ตอนไปไปลายพระพรรษาของพระพุทธเจ้านะก็มีกษัตริย์นะเมืองหนึ่งนะที่ โคดแนสักยะวงศ์สักยะวงศ์คือตะปูพระพุทธเจ้าว่าดูถูกดูถูกกษัตริย์อีกแ้นหนึ่งก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายโยมก็อันนี้อาจจะมาเล่าคร่าวๆนะพอท่านพอท่านตั้งใจว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่นะจะฆ่าล้างโคดสักยะงวงศ์พอท่านก็ได้เป็นกษัตริย์จริงๆก็ยกทัพมานะ พระพุทธเจ้าก็ดูแล้วว่าเนี่ยกษัตริย์เนี้ยนะจะไปฆ่าสักยะวงค์ก็ไปห้ามก็ไม่ได้ห้ามแบบไปโวยวายเลยนะท่านก็แค่เสด็จไปยืนยืนตรงทัพที่เขาจะเสด็จผ่า น, นก็ยืนพอเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็กลับครั้งที่สองมาอีกเห็นพระเจ้าเขาก็กลับครั้งที่สามก็มาอีกเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็กลับแต่ครั้นี้พระพุทธเจ้าก็ดูแล้ว เขาเขาจงใจเขาตั้งใจจริงๆไม่สามารถห้ามได้นะครั้งที่สี่เขาก็ไปฆ่าล้างโทษสากยะวงนะเก้าในสิบส่วนตายหมดเ <c oughs> หลืออยู่ประมาณแค่ส่วนเดียวอบพยกหนีไปอยู่ที่อื่นนะเก้าในสิบส่วนนะของตระกูลพระเจ้าก็ถูกฆ่าถ้าเรามองเป็นปัญหานะท่านก็ไปแก้ปัญหาไม่ได้นะ แต่มันเป็นเรื่องกรรมที่มันเคยทํากันมานะก็เลยทําแบบนั้นแม้พระเจ้าพยายามจะช่วยให้เขาเลิกจองเวรจองกรรมไปแล้วแต่บางคนก็ก็ช่วยไม่ได้จริงๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะพวกเราคิดตัวนะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้ า, จาบำเพ็ญบารมีมากมายกว่าพวกเราไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ท่านก็ยังเจอปัญหาในในชีวิตประจําวันนะเจอเรื่องที่แก้ไขแล้วก็แก้ไขไม่ได้ หนักกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่นะพวกเราลองคิดดูตระกูลเราถ้าถูกฆ่านะ9ใน10ส่วนเนี่ยเท่าไหร่ข่าวเมือ่อสักครู่นี้ไหมมีการฆ่ากันตายแฝดศพนะก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับค่าล้างโทษตรรอเนี้เป็นมาไปดูนะบึงใหญ่ๆน่าจะเกือบ ประมาณตะในสตยตาคร่าวๆนั้นน่านะนะจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่เขาบอกว่าบึงนั้นน่ะแหละคือบึงที่เอาศพสากยะวงต่างๆมาถมมันเยอะขนาดนั้นนะ่ะห้าสิบไร่ก็ประมาณตรงเนี้ยจนถึงข้างหน้านะอมืมันใหญ่มากนะหรืออาจจะใหญ่กว่า น, นั้นก็ไม่รู้นะแผ่นดินกลายเป็นเลือดนะมันก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เลยนะห้ามไม่ได้แต่เพราะว่าเรา คนเรามันงผิดก็เลยไปทำกรรมเยอะแยะมากมายแบบนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาเท่ากับความทุกข์ชีวิตเราก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์มากนะอย่างหนังจีนกำลังภายในท่าบอกว่านะแขนต้องชำระใช่ไ้ยแขนต้องชำระนะแต่พระเจ้าบอกว่านะเวณนอนะย่อมดังงับด้วยการไม่จองเวนนะมันดีกว่า แต่ถ้าเราแค้นต้องชําระนะสิบปีชําระแค้นก็ยังไม่สายเนะี่ยจิตใจเราเนี่ยจะเป็นทุกข์ตลอดสิบปีเลยนะหรือแม้แต่เราชําระค่าเขาได้ก็ยังมีความกลัวว่าเดี๋ยวตะกูลนั้นก็จะมาฆ่าเราตอบอีกมันจะสบายใจได้ไงตอนที่เราผูกแค้นเราก็คิดจะเอาคืนเขาตอนที่เราเอาคืนเขาได้แล้วเราก็กลัวเขาจะเอาคืนอีก นั้นทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากจะเอาคืนเขาแล้วก็ทุกข์เพราะความกลัวเขาจะเอาคืนเราเนนั้นเวลาเราทำสิ่งไม่ดีนะมันก็เป็นทุกข์แบบนั้นแหละนะเนี่ยอันนี้คือเรื่องของกรรมเนาะเรื่องของเวรเรื่องของกรรมนะกรรมจริงๆเนี่ยคือการกระทาของเราเนี่แหละนะกรรมแปลว่าการกระทํำนะ เราทำกรรมเช่นใดก็ได้รับกรรมเช่นนั้นนะี่กรรมทางกายเนะี่ยเราก็หนีไม่พ้นนะแม้แต่เราเป็นพระปฏิบัตปฏิบัติ ด, ดีเป็นพระอาหารหันต์เองก็ก็หนีกรรมไม่พ้นนะอย่างในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยได้ยินชื่อพระพระโมคคานะไหพระโมคคารนะอ่าเป็นคล้ายๆเป็นสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้า คือเป็นคล้ายๆเป็นพระโมโครานะพระเสด็จบุตรเนี่ยเป็นเมืองท้ายเบื้องขวาเป็นคล้ายๆถ้าเป็นมือซ้ายมือขวาเนาะของพระพุทธเจ้าท่านเคยทํากรรมอยู่ก่อนที่จะเป็นพระโมโครานะกรรมในอดีตก็คือว่าท่านเคยหลงคํายุแยของภรรญาให้ฆ้าพ่อฆ้าแม่ตัวเองแล้วท่านก็หลงนะไปหลง เชื่อพรนยาว่าพ่อแม่ตัวเองเนะี่ยดังแกพรนยาพ่อแม่พระโมคคลานะในอดีตนะท่านเป็นคนตาบอดสมัยก่อนเนี่นก็เดินทางไปด้วยเกวียนเดินทางด้วยเกวียนไปเมืองเนะึ่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งไม่รู้ว่าท่านจะพาพ่อแม่ไปเมืองไหนออกอุบายก็ให้พ่อแม่นั่งเกวียนไปพอเริ่มเข้าป่าแล้วนะก็บอกพ่อบอกแม่ว่าพ่อแม่ เดี๋ยวรออยู่ที่เกียนก่อนนะเดี๋ยวลูกจะไปดูราดราวพราะได้ข่าวว่าแถวนี้มีโจรป่าเยอะนะโมขลานะั้นในอดีก็เลยเข้าป่าไปไปดูทาท่าไปดูว่าในป่ามีโจรซุ่มลึกป่านะสักพักหนึ่งนะก็ปลอมตัวเป็นโจรเองเนะพราะพ่อแม่ตาบอดเนี่ยไม่เห็นนะก็ทำตัวเป็นโจรมามาป้นนะมาป้นแล้วก็ฆ่า เอาไม้ทุบตีพ่อแม่แตัวเองนะแต่ขนาดที่พ่อแม่ถูกไม้ทุบตีนะพ่อแม่พูดว่าไงรู้ไหมบอกว่าอันนี้มาจําชื่อไม่ได้นะแต่บอกว่าลูกลูกนะอย่ามาทางนี้นะโจรมามาปนเราแล้วมาฆ่าพ่อข้าแม่แล้วนะ่ะหนีไปหนีไปไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ตัวเองนะนะถูกทุบตีนะแต่จิตใจของพ่อแม่ห่วงลูก กลัวลูกจะมาเดี๋ยวดยูจะถูกโจรฆ่าตายก็เลยบอกบอกลูกว่าลูกลูกอย่ามานะนี่โจรมันอยู่ทางนี้ให้หนีไปใกล้ใกล้เลยนะโมกขานะนะได้ยินนะอือสะก ด, ดใจเลยเราเองเป็นลูกแล้วเราตีพ่อตีแม่แต่พ่อแม่น่ห่วงเ้ากลัวเราจะถูกตีนะแต่พอคิดได้เช่นนั้นนะก็ก็เลิกตีแล้วก็ แท้งเป็นโจรวิ่งหนีกลับไปคล้ายๆตีลักก็เลยเหนีไปแล้วก็แก้งมาเป็นลูกกลับมากลับมาดูพ่อดูแม่ที่ถูกตีแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ถูกตีเลือดออกทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายนิโมคขรานะเคยทำกรรมแบบนี้ในชาติก่อนนู่นนะแม้เป็นพระอรหันนะมีฤทธิ์เยอะมากเหาะเหินเดินอากาศขึ้นสวนรรค์ลงนรกได้ ตามใจศาถนาแต่พอวันจะตายพวกเรากรรมที่เคยทุบตีพ่อแม่อะไรนะสุดท้ายก็โดนโดนคนศาสนาอื่นเขาจ้างคนมาฆ่าเขามาทุบตีจนกระทั่งแหลก็เลยไปหมดเลยอนะ่ะที่อย่งท่านก็หนีนะท่านก็ลองหนีไปสวรรค์ไปที่อื่นให้โจรเขาตามไม่ไหวแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเขาก็ตามมาฆ่ามาหนึ่งท่านก็มองอื เราหนีกรรมตัวนี้ไม่พ้นอ่ะก็ต้องชดใช้กรรมตรงนี้แต่ถามว่าท่านโมครานะพระโมคระนะท่านท่านเป็นทุกข์ใจไหมไม่ที่ทุกข์ใจนะท่านทุกแต่กายกายถูกทุบตีอย่จนทั้งตายแต่ใจท่านนะยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าสุดท้ายพอท่านถูกทุบตีนะแต่จิตยังไม่จิตยังไม่ไปไหนไม่ใช่ว่าท่านห่วงอะไรหรอกแต่ท่านคิดว่า ไหนๆก็จะไปแล้วก็รวมร่างนะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านะขอกริญนิพพานนะขอไปนะก็ก็จากไปนะด้วยอาการที่ถ้าเราดูนะท่านไม่ถ้าดูแบบข้างนอกตายไม่ดีเพราะถูกฆ่าตายแต่ที่จริงท่าตายดีเพราะใจท่านกิเลสท่านตายเป็นนานแล้วนะความทุกข์ตายเป็นนานแล้วอันเนี้ยดีกว่านะ อันนี้คือสิ่งที่ที่กรรมที่บางทีกรรมที่เราทําเราก็ไม่รู้อกเราทําอะไรเนาะแต่ให้เราทํากรรมใหม่นะนะโยมอย่าไปกลัวกรรมเก่ากรรมเก่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราเคยทาอะไรมาบ้านแต่กรรมใหม่เนี่ยเราควรจะสร้างกรรมที่ดีนะเราควรจะสร้างกรรมที่ดีที่จะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมในอนาคตต่อไปนะแล้วก็จะได้ไม่เป็นความทุกข์ใจของเราในตอนนี้ แล้วก็ต่อไปเนะี่ยนี่คือกรรมใหม่ที่เราควรจะทํานะนเราทํากรรมใหม่ให้มันดีสําคัญที่สุดนะอย่าไปกลัวกรรมในอดีตอย่าไปกลัวเหตุการณ์ในอนาคตนะอดีตเราก็มันผ่านไปแล้วนะอนาคตเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่สิ่งที่เราทําได้คือทํากรรมใหม่ในปัจจุบันให้ดีนะนะ แล้วเราจะทำกรรมใหม่ที่ดีได้อย่างไรนะนยะก็ทำเลยอะไรที่คิดว่าดีก็ทำในตอนนี้นะอะไรที่ว่ามันดีก็ทำเลยนะบางทีเราก็ลังเลนะคิดมากนะแต่ถ้าอะไรที่ดีนะอยากให้ทำทันทีเลยนะแล้วอยากให้เราคิดอีกอย่างว่ามันมีกรรมอย่างหนึ่งนะที่มันจะทำให้เราเหนือเหนือทุกเหนือสุข คือกรรมฐานสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกออย่างหนึ่งว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยจะทำให้เรามีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนพระโมคคัลลานะก็คือว่าแม้ร่างกายท่านจะมีความทุกข์นะแม้ท่านจะมีปัญหาในสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องแต่จิตใจอ่ะสามารถที่จะเหนือเหนือความทุกข์ขึ้นมาได้ เนี่ยกรรมฐานนะถ้าเราฝึกเราจะเห็นว่าอ๋อความทุกข์มันเกิดขึ้นกับร่างกายนะเช่นเยมก็ดูนักก็เห็นได้นะเราฝึกในการดูให้มีสติเป็นผู้ดูให้มีสติเป็นผู้ดูคืออะไรเนี่ยเช่นมันนั่งแล้วปวดขานั่งแล้วปวดหลังเราก็ดูว่ามันปวดนะ แต่ถ้าเราเป็นทุกข์นะจะทุกเราปวดเราเจ็บนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นมันปวดเห็นมันเจ็บต่างกันนะอืต่างกันหรือถ้าเราเวลาเราปฏิบัติธรรมบางคนก็ทําไมมันคิดมากทําไมมันวุ่นวายทาไมมันไม่สงบทําไมมันอึดอัดเนาะเอาแบบนี้นะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมให้ดูแบบนี้ เห็นมันคิดมากเห็นมันวุ่นวายเห็นมันไม่สงบมันจะต่างกันเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเราวุ่นวายเราคิดมากเราไม่สงบเนี่ยมันจะแย่แย่แย่แต่ถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นมันก็ไม่แย่ละนะมันก็เป็นธรรมดาของมันนะเราก็พ้นจากความทุกข์ออกมาได้นั้นสิ่งที่เราฝึกสาคัญที่สุดนะ สติเนี่ยแหละมันจะทำให้เราเป็นผู้เห็นนะสตินะเห็นอย่างที่บอกเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะให้ดูแบบเห็นเห็นนะเหมือนโยมเคยดูมวยไหมพอเราดูมวยนะเราเห็นเลยว่าจะต้องแก้เกมอย่างไรอันไหนเก่งกว่ากันดีกว่ากันนะทำไมคนอยู่ข้างเวทีมันเก่งกว่านักมวยลรอ ไม่ได้เก่งกว่านะไปชกก็อาจจะแพ้เขาใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราเก่งเพราะว่าเราเห็นไงเราออกมาข้างบนแต่ถ้าเราอยู่เป็นผู้ชกเลยเรามองไม่ทันเราไม่เห็นแต่พอเราออกมาเป็นผู้ดูเราก็รู้เลยว่าอะไรมันดีกว่ากันควรทำแบบไหนทำยังไงเพราะเราออกมาเป็นผู้ดูไงเราก็เลยเราก็เลยฉลาดขึ้น แต่ถามว่าฉลาดเฉยๆมันพอไหมเพราะว่าเราฉลาดเพราะเราดูแต่ถ้าเราไปทำจริงเราก็เป็นเหมือนเดิมแหละเราก็ทำไม่ได้ใช่ไห ม, มแต่การเป็นผู้ดูเนี่ยอย่างน้อยทำให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนาะพอเราออกมาละเราจะถอนออกมาถอนออกมาจากความเข้าไปเป็นปัญหาเราจะเป็นผู้ที่เห็นปัญหาแต่คราวนี้ เราเองก็ต้อง เ, อเราเองก็ต้องดูทันตัวเองด้วยเหมือนกันบางทีพอเราไปคิดว่าเออพอเราเป็นผู้ดูนะเราคิดว่ามันต้องแบบนี้แหละแต่เหตุการณ์จริงๆบางทีมันก็ทําไม่ได้ทั้งหมดแบบนั้นเราเองก็ต้องเนะี่ยมาฝึกตัวเองให้มันมีกําลังเนี่ยนะฝึกให้มันมีกําลังฝึกให้มันเข้มแข็งกําลังนะกําลังกายนะมันก็มีอยู่แล้วทุกคนเนาะ แต่กำลังทางใจของเราเนะี่ยมีไหมกำลังที่จะออกจากความทุกข์ทางใจเนะี่ยเรามีหรือเปล่าเวลามันโกรธเรามีกำลังที่จะออกจากความโกรธไหมเวลามันโลคเรามีกำลังออกจากความโรคไหมเวลามันอยากอะไรเรามีกำลังออกจากความอยากหรือเปล่ามีไหมมีบ้างไม่มีบ้างเนาะใช่ไหมถ้าทำยังไงเราถึงจะมีมากขึ้น เราเลยต้องมาฝึกนะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ไม่รู้นะบางทีเราขาดสติมากๆเราก็อาจจะเผลอทําตามความโกรธบางคนก็เผลอขาดสติมากๆก็ทําตามความโรคบางทีก็ไม่รู้คิดว่าโรคนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกได้นิดหน่อยแต่บางทีก็อาจจะไม่นิดหน่อยนะอาจจะเสียมากกว่าก็ได้ เมือนกัมาอ่านข่าวนะแต่ก็มรู้จริงเท็จอย่างไรนะอ่านตามข่าวนะที่เขาบอกว่าคดีฆ่ากันแปดศพใช่ไหมอ่ามีคนบงการคนหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยถูกคล้ายๆปลอกไปไปชวนทวงนี้ใช่ไหมเขาบอกไอ้ที่เหลือไม่ได้รู้เรื่องราวเลยหรอกบอกว่าจะพาไปทวงนี้แต่สุดท้ายก็ไปอยู่ในเหตุการณ์เขาฆ่าแปดศพจะเองจะรอดไหม ถ้าได้เงินแบ่งค่าทวงนี้จะได้สักกี่พันใช่ไหมแต่สุดท้ายพอเส็จเหตการณ์นี้ต้องติดคุกกี่ปีก็ไม่รู้นะเพราะความโรคอยากจะได้เงินไม่กี่พันเขาชวนไปทําไม่ทําไม่ดีก็ไปตามเขาเพราะความโรคความหลงคิดว่าจะได้เงินง่ายง่ยอยแต่ไม่ทันคิดว่าถ้ามันเกิดพลิกล็อกอะไรขึ้นมาเราจะเสียมากกว่าได้หรือเปล่าไม่ทันคิดใช่ไหม อันนี้ยมันคือก็คือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดกับเราได้แบบที่เราไม่รู้ตัวยนะเวลาเราโลภขึ้นมาเนี่ยมันหน้ามันมืดเนาะนะนเวลาโกรธขึ้นมาก็เหมือนกันนะก็หน้ามืดยิ่งเราเองถ้าใครมีอาวุธติดตัวเนี่ยยิ่งต้องระวังมากมีเหตุการณ์หนึ่งนะพระอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่ามีนายทหารคนหนึ่งนะเขาไปรับลูก ที่โรงเรียนนตอนเย็นในทหารท่านตัวใหญ่นะไปรับลูกที่โรงเรียนที่กรุงเทพเนาะที่จอดรถหน้าโรงเรียนเนี่ยมันก็น้อยเนาะในกรุงเทพในทหารก็เห็นที่จอดรถมันว่างเนี่ยก็ลังจะถอยหลังเสียบเข้าไปจอดปรากฏว่ามีรถมาข้างหลังนะเสียบไปจอดก่อนปุ๊บปาดหน้ามันโกรธทันทีเลยประมาณว่ากูกำลังจะถอยรถไปจอดมึงมาเสียบแทนเนะี่ะโกรธปุ๊บนะ ก็จอดรถเปิดประตูนะคว้าปืนเข้าไปนะจะไปยิงเขาอ่ะแค่เขาเสียบจอดรถแทนนะถ้าผิดหรือเปล่าก็ผิดนะเขาก็ผิดนะแต่เราเขาผิดจะทั้งเราต้องโกรธจะอไปฆ่าเขาหรือเปล่านะในทาคนนั้นก็คว้าปืนไปจะไปยิงจะไปยิงเขาปรากฏว่ามียามที่เห็นเหตุการณ์อยู่นะ ยคนที่ดูแลเรื่องจอดรถตรงโ ร, รงเรียเขาก็เห็นเหตุการณ์เยอะเขาก็เลยไปสะกิดในทหารนะดีนะอย่ามคนนี้เขาใจเย็นแล้วเขามีอุบายเขาสะกิดว่าพี่พี่ พ, พี่พี่มารับลูกไม่ใช่เหร อ, อพอในทหารคนนะั้นถูกยามสะกิดนะชุกคิดได้เออเรามารับลูกดีกว่านี่ก็ได้จะไปยิงเขาถ้าไปยิงเขาเป็นไงลูกก็อาจจะไม่ได้รับนะเกิดคดี แล้วก็มีเรื่องตามมาอีกเยอะมากเพราะความโกรธเพียงแค่เขาขับรถออจอดรถปาดหน้าเรานะเราก็โกรธมากนะเคยเป็นแม่โยมอระวังนะเอมีคนปานหน้าเราบนะ า, านะ ง, งนะาาาทีเราก็ห้ามไม่ได้หรอกนะแต่ถ่งที่เราพอจะห้ามได้คือห้ามความโกรธตัวเรานะให้มีสติดูทันเวลาเวลามันโกรธขึ้นมาถ้าเราเห็น เราก็ไม่ทําตามมันเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราทําตามมันผลเสียที่ตามมามันเยอะมากบางทีเราก็จะคิดได้ตอนที่ทําผิดไปแล้วก็มีนะใช่ไหมแต่สติเนะี่ยมันจะทําให้เราคิดได้ก่อนที่จะทําผิดนีอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะไอ้การสํานึกผิดเนะ่ยมันก็สํานึกผิดมันก็ดีมันก็ดีมากดีกว่าคนทําชั่วแล้วไม่สํานึกผิด แต่บางทีพอทำผิดแล้วบางทีบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องรับโทษนะรับกรรมต่อไปต้องสูญเสียนะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสติคอยกั้นก่อนที่จะทำผิดนะก่อนที่จะพูดนะก่อนที่จะพูดผิดนะก่อนที่จะทำผิดถ้าเรามีสติก่อนจะดีกว่าไหมเนะี่ยมาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะนะนะแล้วสติมันเนี่ยที่เราพูดถึงเนะี่ย มันใช้ได้กับชีวิตประจําวันของพวกเราทุกๆคนนะนะเพราะว่าเราเองต้องเจอกับปัญหาที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไม่รู้วันไหนเขาจะมาขับรถปาดหน้าเราเราก็ไม่รู้นะเวลาไหนก็ไม่รู้นะนะหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสมมุติสมมตนะินะนะออยู่ดีๆก็มีคนโทรมาบอกว่าญาติเราเสียมนะเราจะทําใจได้เปล่านะเราก็ตกใจแล้วก็ทุกข์ใจเลยไหม เราได้เตรียมใจไว้เปล่าเ น, นี่ยเนานะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะไม่วันไหนก็วันหนึ่งใช่ไหมเนะี่ยเราเป็นทุกข์ใจเพราะเรื่องแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นทุกข์ใจเนาะคารมาฝึกใจเนะี่ยเลยเป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากเนาะนะให้เราพยายามฝึกกันเนาะฝึกให้เป็นผู้ดูนะฝึกให้เป็นผู้ดูเราจะทําอะไรก็คอยดูดูร่างกายเขาทำนะ ดูคล้ายๆเหมือนเราดูคนอื่นมาทียนมาก็เปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเนะเหมือนเราดูดูคนอื่นเขาเดินอ่ะเราก็นั่งดูครับนั่งดูก็เดินเราก็ดูแบบรวมๆนะเหมือนเราดูคนอื่นเขาเดินเราอย่าไปจ้องแต่เท้าเราก็ดูเ้าเดินรวมๆเราก็จะเห็นเขาเคลื่อนไหวนะเราก็เห็นเขาเคลื่อนไหวเป็นภาพรวมนะเวลาดูตัวเองก็ให้ดูคล้ายๆแบบนั้นดูร่างกายโดยรวมที่เขาเคลื่อนไหวะ ไม่ว่าเราจะเดินก็ดีหรือเราจะนั่งยกมือก็ดีหรือเราจะนั่งดูลมหายใจก็ดีคือดูร่างกายเราดูร่างกายเขาเคลื่อนไหวนะดูร่างกายเ้านั่งดูร่างกายเขาเดินนะดูแบบนี้นะแต่ถ้าเราไปจ sure ้องน่ยมันจะเห็นแค่เท้าเห็นแค่ลมหรือเห็นแค่มือนะไอ้มันจ้องเกินไปเพราะบางทีถ้าเราไปจ้องเราจะลืมดูส่วนอื่น เคยเห็นไหมที่เราไปจ้องดูรูปเนะี่ยเราไม่ทันเห็นตัวเองว่าตามันปวดเวาจะต้องดูอะไรใช่ไหมเวลาจ้องดูรูปอะไรสักอย่างอยากดูให้มันชัดๆใจเราไปสนใจที่ที่รูปที่มันเกิดนะแต่เราดูดูว่าเอดตาเรานี่มันถล้เไปแล้ว <c oughs> ใช่ไห ม, มหรือเราได้ยินใครพูดถ้าอยากฟังมันแต่เสียงมันเบ้าเบานะเราก็พยายามจะตั้งใจเงี่ยหูฟัง่ยนะ แต่เห็นไหมว่าใจตันะั้นมันมันค่อยๆมันค่อยๆมันมันเป็นทุกข์นะมันเหมือนตั้งใจมากเกินไปมันพยายามจะจะรู้น ะ, ะนะมันเป็นทุกข์แบบนั้นแต่โยมนะให้เราดูตัวเองสบายๆนะอย่าไปตั้งใจมากมันจะเป็นทุกข์นะนะามาก็เปรียบเทียบให้ดูเป็นตัวอย่างเถ้าเราไปแบบตั้งใจดูลมหายใจนะจะหายใจอึดอัดเลยเคยหม พอจะนั่งสมาธิดูลมหายใจนั่งได้ไม่กี่นาทีอึดอัดแหละเพราะเราไปบังคับลมหายใจไปบังคับลมหายใจให้เป็นอย่างที่ต้องการแล้วก็ไปบังคับใจให้มันดูตลอดนะีมันก็เลยเครียดนั้นเราดูตัวเองแบบ ร, มรวมๆอย่าไปดูแบบเพ่งแบบจ้องเนาะอันนี้คือการดูแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติของใจนะี่ย บางทีมันก็ไปคิดเราห้ามไม่ได้หรอกนะแต่สิ่งที่เราทำคือมันคิดปุ๊บ ก, กลับมาคิดปุ๊บ ก, กลับมาคิดปุ๊บ ก, กลับมาฝึกแบบนี้บ่อยๆยเหมือนคล้ายๆมาเปรียบเทียบ น, นะถ้าเหมือนความคิดเราเหมือนกับมือนะกลับมาเนี่ยไปกลับไปกลับกล้ามเรานะก็จะมีกํหลัง <c oughs> แข็งแรงขึ้นเพราะอะไรไปแล้วก็กลับ ไปแล้วก็กลับแต่ถ้าเราไม่ให้มันไปนะเหมือนมือเนี่ยมือข้างซ้ายไม่เคยทำอะไรเลยนะกอดแอร์นะให้มันหยุดนิงน่งๆเฉยๆนั้นที่จริงนะบางคนเข้าใจว่าเรามาทาสมาธิคือทาใจให้มันนิ่งให้มันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนคนไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้าเราเลี้ยงลูกนะไม่ให้ลูกทำอะไรเลยนะล้างจานก็ไม่ทำกวาดบ้านก็ไม่ทา ไปเร่นก็ไม่ทําให้มันอยู่นิ่งๆนงนะลูกเราจะเป็นแบบไหนโยงเป็นขาพิการมือพิการใช่ไหมเดินก็ไม่ได้เดินมือก็ไม่ได้ทำอะไรทําอะไรก็ไม่เป็นแขนขารีบอ่อนแรงจิตก็เหมือนกันนะจิตถ้าเราไปแค่นิ่งๆว่างๆไม่ไม่ให้มันรู้อะไรเลยให้มันนิ่งๆสบายอย่างเดียวเนะี่ย มันก็จะกลายปเป็นวะันเกียร์คานกลายเป็นจิตที่ติดสุขกลายเป็นจิตที่กลัวทุกขนะ์กลัวความวุ่นวายนั้นวิธีปฏิบัติจริงๆเราไม่ได้เน้นว่าปฏิบัติให้มันสงบให้มันมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะแต่เราปฏิบัตินะมันจะสุขเราก็เห็นมันจะทุกข์เราก็เห็นมันวุ่นวายเราก็เห็นมันสงบเราก็เห็น น, ห น, นะมันเหมือนคล้ายๆคน คนใช้ชีวิตแบบพกโยมๆนี่แหละนะรุยรยสักหน่อยร้อนก็ไม่กลัวหนาวก็ไม่กลัวเหมือนรถรุยรอ่ะขึ้นเขาก็ได้รุยน้ำสักหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นรถสปอรนะโอมันก็ถนนปุกกะก็ไม่กล้าวิ่งใช่ไหมมันกลัวรถมันพันนะเนี่ยนี่คือแต่ถ้ารถรุยรยนะสภาพไหนก็รุยได้ใจเราก็เหมือนกันนะ ใจที่มีสติจริงๆอ่ะมันจะดุยนะสุขก็ไม่ติดก็ดูว่มามันสุขทุกข์ก็ไม่กลัวนะก็ดูทุกข์นะดูปัญหาใจแบบนี้นะถึงจะเป็นใจที่ที่เรียกว่าพร้อมที่จะเกิดปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าท่านติดสุขนะท่านไม่ออกไม่กล้าออกบวชหรอกนะอยู่ พระราชวังก็ดีอยู่แล้วมีทุกอย่างสบายอยู่แล้วนะมาออกบวช น, นะข้าวก็ต้องขอเขากินอที่นอนก็ต้องนอนใต้ต้นไม้ใช่ไหมเดินก็ต้องเดินเท้าเปล่าเสื้อผ้าก็มีแค่สามผื น, นแต่ก่อนสองผืนได้ซ้ํามีแค่จีวอกับสบงไม่มีสังฆติมีแค่นี้นะถ้าท่านกลัวทุกนะโอก็ติดอยู่ในปราสาทนั่นแหละเหมือนพวกโยมนะก็ดีแล้วนะนีะ่ อยู่ที่บ้านอาจจะสบายกว่า น, นี้ออกมาอยู่วัดก็อาจจะลาบากบ้างแต่เพราะเราต้องกล้าไปเชิญทุกเนะี่ยต้องกล้าออกมาไปเชิญกับความทุกนิดหน่อยรือทุก์ที่มันมากขึ้นกว่า น, นี้แล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับความทุกอย่างไรให้ใจเรามีทุกอย่างบางทีเราปฏิบัติทำบางทีก็ง่วง่งวงบางทีก็ฟุง้งฟุ้งบางทีก็เบือ่อเบื่อ แต่บางทีก็ดีๆก็มีนะไม่ใช่ว่าจะแย่ตลอดหรอกโยมถ้าปฏิบัติธรรมทั้งรักเจอแต่อารมณ์แย่ตลอดนะก็ผงไม่ค่อยมีใครปฏิบัติทําให้หรอกนะแต่มันก็มีบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันสุขบางวันทุกข์นะมีเป็นเหมือนรสชาติของชีวิตเราแหละนะเหมือนชีวิตเราบางวันแหละบางวันก็ก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะมันก็เป็นแบบนี้รสชาติของการปฏิบัติธรรม แต่ใหม่ๆบางทีถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็จะเหนื่อยนะหรือว่ามันก็แบบแคล้ายๆยอมรับไม่ได้เนาะเพราะเราเคยเห็นมาพวกเราก็คงเคยเห็นนะเด็กที่มาทำงานใหม่ๆอพอเจอความร้อนนิดหนึ่งบางทีก็ใจไม่สู้ละพอแบกของหนักๆบางทีก็ใจไม่สู้ละพองานหนักๆก็ใจไม่สู้ละนะแรกๆเขาอาจจะใจไม่สู้แต่ถ้าเขายัง ยังทาอยู่กับมันมาว่าเขาจะยอมรับได้นะใช่ไห ม, มเขาจะเข้มแข็งขึ้นเคยแบกหนักขนาดนี้ต่อไปก็แบกหนักได้เคยร้อนขนาดนี้มันก็อยู่ได้ใจเราเองก็เหมือนกันโยมเวลาเราเจอความง่วงนะถ้าใจเราท้อเนี่ยมันก็มันเหมือนก็อยากจะลาออกอยากจะถอยไม่อยากทำแล้ว เ, เวลามันไม่สบายอย่างที่คิด คิดว่าปฏิบัติธรรมมันต้องสบายมันต้องสงบมันต้องดีพอไม่ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดนะมันก็ไม่อยากทําแต่มันเหมือนครับคนมาทํางานอะ่ะพอเจอปัญหานิดหน่อยพอเจอเจ้าในายใช้พอเจอนั่นนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห ว, ไไหวลาออกไปหาอื่นทาสบายดีกว่าแต่อาจจะไม่มีงานทําก็ได้นะเพราคิดว่าไปทำอย่างอื่นจะสบายกว่าอาจจะมีสิ่งที่สบายกว่า แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถอยู่กับปัญหา <_ d ance> อยู่กับความทุกข์ได้นะอยู่กับความเป็นจริงนี่แหละนะมันก็เจอเรื่องพวกนี้แหละแต่เราจะฝึกให้เราวางใจแบบไหนได้เราถึงจะไม่ทุกข์ที่จริงพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้น่นนะมันก็เอาไปใช้กับอย่างอื่นได้โยนะเช่นอย่างคนปฏิวัติธรทำหลายๆปีนะก็จะเจอคล้ายๆกัน ไม่ใช่แต่โยมปฏิบัติวันนี้นะบางคนปฏิบัติเป็นปีหนึ่งสองปีหรือเป็นสิบปีนะบางวันก็ง่วงมากบางวันก็ฟุ้งมากบางวันก็โกรธนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่พอมันเคยผ่านบางวันที่เคยผ่านความง่วงได้ผ่านความโกรธได้ผ่านความฟุ้งได้มันคล้ายๆเออมันเคยผ่านมาแล้วะ มันก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็เอพอมันผ่านไปมันก็ยอมรับได้นะก็ไม่เป็นทุกข์มากนะมันเห็นอาการมันโกรธเห็นอาการมันง่วงแต่ใจพอเห็นปุ๊บนะมันก็ค่อยๆถอยออกมาค่อยๆดูดออกมานะมันค่อยๆดูดออกมาได้นะถ้าเราเคยดูดมันมาครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะดูดได้เรื่อยๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆความทุกข์ก็เป็นแบบนี้แหละนะ บางวันดีเราก็เห็นว่ามันดีเราเลือกไม่ได้เหมือนฝนจะตกลมจะแรงแดดจะออกเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราเลือกวางใจเออมันฝนตกมันก็เป็นธรรมชาติแดดออกก็เป็นธรรมชาติลมแรงก็เป็นธรรมชาติถ้าเราวางใจได้นะไม่ทุกข์ <c oughs> แต่ถ้าโอ้ยไม่ชอบน่ะทำไมฝนมันตกด้วยทำไมลมมันหนาวจังนะ จิตนะมีแต่ทําไมทําไมทําไมเนี่ยเป็นทุกข์ใจเลยนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆนะไม่มีทําไมรู้สึกตัวจริงๆนะก็เข้าใจมีแต่เข้าใจไม่มีทําไมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเข้าใจว่าเป็นธรรมดาของชีวิตนะเราก็พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเนนะี่ทุกนะคือสิ่งที่เราเห็น คือสิ่งที่เราเรียนรู้เนาะให้เราเรียนรู้ทุกนะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจถ้าเราเรียนรู้ทุกขเขาได้จริงๆสุดท้ายเราก็จะพ้นทุกได้นะแล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่นนงนะแล้วการพ้นทุกเนี่ยนะพวกเราหลปยคิดว่าเราจะพ้นทุกตอนตายแล้ว <c oughs> หลวงพ่อเทียนน่ะหลวงพ่อเทียนนู่นเนี่ยหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ขอหลวงพ่อคมเขียนหลวงพ่อเทียน เคยถามโยมนะโยมอยากไปนิพพานไหมถามชาวบ้านโยมบอกอยากไปนะอยากไปนะมาทําบุญมาทําทานมาวัดก็เพื่อหวังไปนิพพานนั่นแหละพนะระพูดประมาณนะั้นนอ้าวแล้วโยอมจะไปนิพพานตอนไหนโอก็เดี๋ยวตอนตายก็ได้ไปนิพพานประมาณนะั้นหลวงพ่อเถียงก็ถามเออแล้วยมอยากจะตายเร็วไหม่ะ ยังไม่อยากตายนะอาขอพอเทียงก็อะไรนะนิพพานก็อยากไปแต่ตายก็ไม่อยากตายถ้าอยากไปนิพพานจริงๆเราก็คิดว่าจะไปนิพพานตอนตายได้นะที่จริงก็ควรจะไปเร็วๆ ด, นะดีกว่านะจะได้พ้นทุกข์เร็วก็ดีตายไปเลอแต่ที่จริงเปความเข้าใจผิดเราคิดว่าเราทําบุญเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรอเราเป็นนิพพานตอนตายไม่ใช่นะ นิพพานจริงๆคือตอนนี้นะเหมือนตอนนี้ถ้าใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราเป็นปกติเนี่ยเรานิพพานแล้ว <c oughs> นิพพานแบบว่ามันเย็นใจ ม, นมันสงบมันเป็นปกติเนาะถ้าตอนนี้เราไม่เบื่อเราก็นิพพานแล้ว <c oughs> หรือถ้ามันเบื่อแล้วเราเห็นว่ามันเบื่อ เราก็นิพพานแล้วนคืออะไรมันดับความเบื่อได้พอเห็นปุ๊บมันก็ดับปั๊บเนี่ยนิพพานตอนนี้นะนี่ถ้าเราโกรธนอันนั้นไม่นิพพานนะมันโกรธแต่ถ้าเราเห็นว่าใจมันโกรธเนี่ยนิพพานแล้วนิพพานคล้ายๆอะไรยมเหมือนสมมติโกรธนะเหมือนกับน้ําร้อนหรือเหมือนกับไฟเนี่ยถ้าเป็นเราโกรธก็คือเราถูกต้มหรือเราอยู่ในไฟ แต่ถ้าเราออกมาเห็นอ๋อไอ้น้ำร้อนมาอยู่ตรงนั้นไฟมาอยู่ตรงนั้นเรามาเห็นน่เราก็ไม่ร้อนแล้วเราก็ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยนิดเดียวแต่เราทุกข์นะก็คือเราไปอยู่กับมันว่เราเห็นเราก็ออกมาจากมันแล้วนิดเดียวนะทําไมที่คําโบราณเขาบอกว่าเนี่ยสวรรค์นในอกนรกในใจนะก็คือตรงนีน้ทั้งหมดเลยนิพพานก็อยู่ไม่ไกลก็อยู่ในใจของเราเนี่แหละเหมือนกันนะ นะัปฏิบัติธรรมนะเราสามารถทานิพพานให้แจ้งได้ในปัจจุบันเลยนะความพ้นทุกความไม่ทุกไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของพระอรหันต์เท่านั้นแต่อยากให้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะพวกเราสามารถทาได้จะบอกว่าพวกเราโชคดีนะที่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมนะ เพราะอีกหลายคนไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเลยในชีวิตนี้หรือไปปฏิบัติวิธีไหนเราก็ไม่รู้จะเป็นทางที่ออกจากทุกข์จริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ น, นี้อยากจะบอกว่าอันนี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์จริงๆมันมีตรงนี้แล้วก็เราก็ทำได้จริงๆนะนะทาทีละณะทาทีลคณะ ท, ทีละณะอันนี้คือทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะักก่อนมาก็มาม า, มาบอกต่อพวกเรานะอ่ะปรฝากไว้นะ